มีความสุขกันทุกคนวันนี้ก็เป็นวันวันที่วันที่เท่าไรยี่สิาหรือยีบสงเนาะวันที่ยีบสองอากาศก็แจ่มทุงใสรูรูหนาวเริ่มจะลงมาอากาศเริ่มเย็นๆย็นบนฟ้าก็คงจะคลายลงไปลงไปทางปากักาตทางภากตาตภักกางภากาต ฝนฟ้าก็ทางภาคอีสานก็ค่อย ค, ยคลายลงไปอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวเข้ามาอีกสักหน่อยก็จะได้ทำงานแข่งกับฤดูหนาวมีความสุขปีนี้ประเทศชาติบันเมืองคงเหล่าได้สูญเสียพระเจ้าจูหัวผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่จากพวกเราไป ท่านสร้างบุญมาดีสร้างอานิสงส์มาดีสร้างบุญมาก่อนจึงได้เกิดเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็ขณะที่เป็นพระมหากษัตริย์ <c oughs> ท่านก็ได้ทรงบำเพ็ญตบะบารมีช่วยเหลือชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดท่านสร้างบุญมาดีวิบา ก, กรรมของท่านก็ไปได้ดี นี่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ได้สูญเสียผูมีอุปกระ์คุณกับชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงในทีเดียวเป็นธรรมดาธรรมชาติพอทุกจริงทุกอย่างก็มีการพัดปากจากกาัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ผักปักจากกันตอนเป็นเรื่องตรงได้ผัดปากจากกันตนตายเพราะเป็นกฎคงตา ล, ลักกฎคงความเป็นจริง ขณะที่เรายังมีกําลังยังมีลมหายใจอยู่เราได้พิจารณากายของเราพิจารณาใจของเราแล้วรือยังอะไรควรทําอะไรควรดําเนินอะไรควรละอะไรควรเจริญในกายของเรานี้มีของดีเยอะแยอะอืทําอย่างไรใจของเราถึงจะสะอาดบริสุทธิ์ทําอย่างไร ใ, ใจของเราถึงจะดับความเกิดละกิเลสได้หมดจด ความเพียรวิธีไหนแนวทางอย่างไรพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยให้สัตว์โลกได้เดินตามการดำเนินชีวิตเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้การจเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้การควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจการจเจริญพรมีหารพยายามทําพยายามสร้างให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจให้ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเรา ท่านทังบอกให้เชื่อไม่ใช่ให้เชื่อแบบหลงงมงาย <c oughs> ให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงบาขณะนี้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราละกิเลสได้มักน้อยเท่าไหรใจของเราดับความเกิดได้หมักเท่าไหร่อย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเชื้อดายเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่ามากมายมหาศาลความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลา ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่ า, า, า, าคนจนคนรวยไม่ว่าพระมหากษัตริย์พอทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดเราไม่อยากจะเราไม่อยากตายก็ต้องละต้องดับความเกิดถ้ามีการเกิดก็มีการตายีความเกิดนั่นแหละเป็นจิเลสตัวละเอียดตัวใจคือวิญญาณของเราใจของเรายังเกิด เกิดใจของเรายัางหลงหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่ในภพของมนุษย์หลงอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จนกระทั่งมาสร้างภพมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเราคํำว่าขันห้ามีอะไรบ้างอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามเราต้องเจริญสติเข้าไปแจงให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นกองรูปเป็นอย่างไรกองวิญญาณเป็นอย่างไรวิญญาณในขันห้าเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องชีวิตสอนเรื่องอัตตาอนัตตาคำาอัตตาอนัตตาของพระพุทธองค์เป็นอย่างไรสอนเรื่องหลักของอริยาศาสตว์ความจริงอันประเรสริฐสีเราจะเข้าถึงได้อย่างไรการจเจริญตะบะบรมีขัดเก่ากิเลสวิธีไหนเราพยายามปักใฝ่สนใจวิเคราะห์พิจารณาสังเกต อบรมใจของเราท่านเทว่าตนไปที่พึ่งของตนทุกอริยาบทจึงจะตื่นขึ้นมาตแต่ยังไม่รู้จักที่ธรรมะไม่ได้อยู่ที่โน้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่ที่กายที่ใจของเราอะไรที่ยังขาดตกปกพ่องเราก็รีบแก้ไขเสียสมมุติของเราอะไรที่ยังไม่พร้อมเราก็พยายามพยายามสร้างสมมุติของเราให้สมบูรณ์ความเป็นอยู่ทางกายทางใจ กายของเรานี้ยังอาศัยปัจจัยบอาศัยโล ก, กธรรมอาศัยความเป็นอยู่ในทางสมมุติต่ <c oughs> างด้านจิตใจก็ อ, อาศัยสมมุติสมมุติกับวิ ม, มุติก็อยู่ร่วมกันธรรมกับโลกก็อยู่ร่วมกันอะไรคือโลกอะไรคือธรรมเราพยายามแยกแยะโดยสติด้วยปัญญาของเราให้รู้แจ้งเห็นจริง กายของเรานี่เป็นกองเป็นขันที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันเป็นกองยังไงเป็นขันยังไงเหมือนกับเชือกมีอยู่มองเห็นเป็นเส้นเดียวถ้าเราคลี่ออกจะมีอยู่ห้าเกลียวแต่ถ้ารวมกันก็เป็นเ <Seriously. S 2> we ส <l> ้นเดียวกายของเราก <c oughs> ็เหมือนกันห้าขันห้ากองกองรูปกองนามกองความคิดกองกุศลกองอกุศลกองวิญญาณซึ่งรวมกันอยู่ในกายของเรา <c oughs> วิญญาณมาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเองวิญญาณเกิดความเกิดนึ่งก็หลงปิดกั้นตัววิญญาณเอาไว้ในส่วนละเอียดแล้วก็มาสร้างกายเนื้อขันหา้าปิดกั้นตัวเองอีกก็เป็นความอยากขึ้นมาอีกทีนี้ก็มีความทะเยอทยานอยากอีกปิดกั้นตัวเองอีกอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียง มุลทินสร้างมูลทินต่างๆความกังวลความพุ้งสร้างความลังเลความสงสัยสารพัดอย่างนิวรธรรมเขาครอบงำอีกปิดกั้นไว้หลายชั้นทาบุคคลไม่สร้างบุญบา ร, รมีมาดีไม่ได้มีความเพียรเป็นเลิศก็ยากที่จะเข้าถึงทรัพย์อันยิ่งใหญ่คือความบริสุทธิ์ของใจเราก็ต้องพยายามอย่าไปปล่อยปะละเลย ล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จั ก, จกที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้ลมหายใจปั๊บรู้ใจปุ๊บาการเกิดการดับขงใจอะไรเป็นตัวสั่งการสั่งงานการเกิดของใจเป็นอย่างไรการเกิดของความห้าเป็นอย่างไรเราตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงได้หรือไม่ไม่ใช่ปล่อยปะละเลยตามอําเภอใจตามอําเภอกิเลส เราชอบสิ่งไหนกิเลสมันก็เอาสิ่งนั้นามาหลอกเราเราชอบทําบุญมันก็บุญมาหลอกเราชอบอยากได้ทําก็ทํามาหลอกเราอื<ม>นอกจากแต่ก็เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายบุญฝ่ายดีนี่นอกจากบุคคลที่มาแยกรูปแยกนามยกใจให้อยู่ในอยู่สูงไม่ ข, ข้องคงใดข้างหนึ่งให้อยู่ในความเป็นกลางอละอกุศลจเจริญกุศลอืม อยู่ด้วยปัญญาล้วนๆถึงจกอยู่อย่างมีความสงบความสุขจนกว่าธาตุขันจะแตกจะดับเข้าสู่ความไม่เกิดเราดับความเกิดขณะยังมีลมหายใจคลายความหลงขณะยังมีลมหายใจท <c oughs> ุกเรื่ อ, ง, องตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้เวลาจะคบจะฉันก็เหมือนกัน ทั้งพระทั้งเนรทั้งที้พิจารณาดูใจอยากหรือกายหิวเราอยกแยะความอยากความหิวได้แล้วหรือยังถ้าใจเกิดความอยากก็รู้จักรับอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงยิ่งกายหิวหิวใจจะเกิดความอยากได้เร็วได้ไวความคิดก็เกิดตรงความอยากนั่นแหละการเกิดเราพยายามหัดสังเกตบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆสักวันหนึ่งเราคงจะเห็น เห็นใจที่คลายจากขั้นห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูบแยกนามนั่นแหละถ้าแยกได้เมื่อไหร่สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกในอริยมรรคในองค์8ปข้อแรกเห็นถูกดำเนินถูกพิจรารณาถูกก็จะถูกไปหมดแต่ถ้ายังแยกไม่ได้ก็เป็นบุญอยู่ในระดับของสมมุติ แต่ยังเป็นบุญที่ยัง เ, เ, เ, เ, เ, เห็นผิดอยู่คือยังไม่เห็นถูกตามอริยมรรคในองค์8คือคลายใจออกรับรู้แต่ก็เป็นบุญอยู่ระดับของสมมุติแต่เราก็ไม่ให้ทิง้งทําความเข้าใจกับสมมุติอย่างประโยชน์ของสมมุติให้เต็มเปี่ยมเพราะว่ากายของเราก็ยังอาศัยปัจเจศีอาศัยกับโลกกับธรรมอยู่ หมดลมหายใจเมื่อไหลนั่นแหละจึงจะได้ทิ้งก้อนสมมติแต่เราให้วางทางด้านจิตใจใจคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้เป็นเรื่องของเราทุกคนที่จะมั่นพร่อมสอนตัวเองไม่ใช่ว่าเรื่องของคนอื่นตนเป็นที่พึ่งของตนตนตัวแรกสติที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละไปอบรมใจจนใจรู้เห็นความเป็นจริงชี้เหตุชี้ผล เห็นการแยกการคลายเห็นการเกิดการดับของขันห้าเห็นการเกิดการดับของจิตวิญญาณเห็นการเกิดการดับของการละกิเลสกิเลสหยาบเป็นอย่างนี้กิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นลักษณะอย่างนี้ดูรู้ให้ชัดแจ้งบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น ถ้าบอกตัวเราไม่ได้ใช้ตัวเองไม่ได้แล้วก็อย่าไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่เกิดประโยชน์บุคคลที่มีบุญมีสติมีปัญญาฟังนิดเดียวไปดูทําความเข้าใจก็จะเข้าถึงฟังคือพระนิพพานได้เร็วเรไวไวการไม่ให้ใจเกิดกิเลสเป็นอย่างไรการดับกิเลสเป็นอย่างไรนี่เปลี่ยนจากความยึดมั่นถือมั่น เปลี่ยนจากการยึดมั่นถือมั่นเป็นความต้องการของสติของปัญญาเป็นลักษณะอย่างไรบริหารสมมุติบริหารกายบริหารใจเราต้องรู้รรให้แจ้งจนรู้ทุกขณะลมหายใจเขา อ, ออกรู้ทุกขณะจิตทำอย่างไรถึงจะเป็นมหาสติมหาปัญญาเราก็ต้องสร้างขึ้นมาไม่มีสติไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมา ใจของเรายัางเร็วยังไวนี่ก็ต้องใช้สมถะเข้าไปดับเข้าไปหยุดจนกว่าใจจะคลายออกจากขันห้าคลายได้แล้วก็ตามทำความเข้าใจค้นคว้าถ้าคลายได้เมื่อไหร่แยกแยะได้เมื่อไหร่กำลังสติของเราก็จะพุ่งแรงเป็นมหาสติตามดูตามรู้ตามเห็นไม่ปล่อยประละเลย หากิเลสเกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่ใจเราจะดับยังไงเราจะละยังไงระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรเราก็จะเข้าใจถ้าแยกแยะได้การสร้างบา ร, รมีความเฉลสระล ะ, ละความตานหนีเนื้อแน่นละความตันหนีเนื้แน่นละความเห็นแก่ตัวมีความเฉสลสระทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรับสักวันหนึ่งใจก็จะเบาก็จะบางคลายได้เร็วได้ไว คลายจากกิเลสลึกลงไปก็คลายจากความคิดถึงเร็วว่าแยกรูปเแยกนามก็ต้องพยายามกันไม่ ใ, ใช่ว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราแท้ๆต้องทําความเข้าใจจริงมาอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็พยายามเพิ่มความสมัครสมานสมัครครีย์ความเสียสละความอดทนทั้งกระทบกระทั่งกันบ้างก็พูดจากให้อภัยเอาหสิกรรม เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาต่างอีกสักหน่อยก็ต้องได้พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตนตายความตายไม่ได้เลือกการเลือกเวลานะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าพระราชาก็ตายเหมือนกันหมดแต่อาจจะมาสร้างบุญานิสงฆ์มาต่างกัน บางคนก็สร้างมามากบางคนก็สร้างมาน้อยในเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยิ่งสนุกสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มเปี่ยมอีกอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งความตายในมาได้ตลอดเวลาอย่างที่หลวงพ่อมอบโลงศพทุกวันเนี่ยมาทุกวันมาวันละโลงสองโลงมาวันละศพสองศพเดี๋ยวนี้ได้ประมาณห0ร้อกว่าโลง50กว่าศพ ที่มอบให้ทางป่าไตรกีวอน่าขาวทุบเทียนให้ครบบริบูรณ์แล้วก็ช่วยเงินไปช่วยชาวพนกจิจสงเคราะห์ช่วยทำศพให้อีกศพละห้าพันก็ได้ประมาณห5 2 5 3สบมศพมาวันละศพสองศพสามศพก็มีภายในเขตจังหวัดคอนเกนของเรา นี่แหละมีโอกาสตายเราก็ได้อนุเคราะห์บางทีบางท่านญาติโยมก็มาร่วมช่วยแต่ทําบุญฆ่าลงศพก็มีบางทีเอาลงศพมาถวายให้ก็มีบางทีก็ซื้อผ้าขาวผ้าไตจีวรทั้งชุดมาไว้ช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้ก็มีนี่แหละมีโอกาสได้ทําบุญร่วมกันหลายสิ่งหลายอย่างทั้งสร้างพระมหาเจดีย์ใหญ่ เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าพระมหาเจดีย์พุทธเมตตาหลวงมหาเจดีย์ของผู้รู้ด้วยความเมตตาของผู้รู้ความเมตตาของพระพุทธองค์ถึงได้ตั้งชื่อว่าพุทธเมตตาหลวง เราก็จะได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากส่วนที่ท่านเถเดจมามากมายซึ่งได้รับความเบตดาจากคุณลุงทงดีท่านได้ถวายมอบมาให้เยอะเอตเอามาไว้ในมหาเจดีย์ให้เรามนุษย์เราเทวดาได้กราบไปไหว้สักการ บ, บูชากันพวกเรามีโอกาสได้มาร่วมกันทั้งกำลังกายกำลังใจบุญสมมุติเราก็ไม่ทิ้งบุญทาง บ, บุญทางบิมุตทางด้านจิตใจเราก็ขัดเก่ากิเลสของเรา ให้หมดจดไม่หมดวันนี้ก็พุ่งนี้ก็หมดไม่หมดพุ่งนี้มเมื่อรือนี้เดือนหน้าปีหน้าไม่หมดจริงๆจะไปต่อเอาพบหน้าเป็นข้าวพกข้าวหอ่อติดตามตัวเราไปเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยดีใจอนโมทนาสาธุในส่วนแห่งบุญทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนโมทนาสาธุเราก็มีส่วนแห่งบุญอย่ว่าไม่ทา ทำบุญกับตัวเราทำบุญกับใจของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นตื่นขึ้นก็รีบสำรวจใจก่อนเพื่อนขณะนี้ใจปกติใจสะอาดใจไม่เกิดคนเราเป็นทุกข์เพราะความเกิดขันห้ามาปรุงแต่งใจได้อย่างไรใจไปรวมกับขันห้าได้อย่างไรสติที่เราสร้างขึ้นมาไปใช้การใช้งานได้แล้วหรือยังสติควรสร้างคนเจริญ แล้วเอาไปใช้การใช้งานหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ที่เหตุที่ผลไม่อย่างนั้นก็มีตั้งแต่พอกปูนกิเลสเหมือนกับดินพอกขังหมูไม่จบไม่สิ้น mm hmm. เราพยายามคลายออกมีปัญญาทั้งร้อยก็คลายทั้งร้อยให้กลับขึ้นสู่สภาพเดิมคือความสะอาดคมบริสุทธิ์ของใจแล้วก็ค่อยมีปัญญาตัวใหม่เข้าไปทดแทนปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาถึงจะอยู่อย่างมีความสุข ะเราชีเร า, าเราวดาดยอดโยมที่มาอยู่วัดมีอะไรก็ให้ช่วยกันนะมีอะไรก็ช่วยการดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นระเบียบนี่แหละสำคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านที่ไร่ที่นาที่ทำการทำงานความเป็นระเบียบความสะอาดจากข้างนอกส่งเข้าต่อเข้าไปถึงข้างในจากข้างในส่งมาถึงข้างนอก เป็นคนมีระเบียบวินัยนี่ขยัดขจัดขัดเก้ากิเลสออกทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยนี่สมมมาเลเทเมาเมาด้วยอารมณ์เมาด้วยกิเลส ท, ทุกคนก็มีกันหมดนั่นแหละจะมีมากมีน้อยก็รีบแก้ไขเสีย ถ้าเราแก้ไขตัวเราไม่ได้ไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้ไม่ว่าพระวิโยมบัญชีจงบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรก็ประพฤ่งปฏิบัติให้เข้าถึงขณะเรายังมีกําลังอยู่เราก็จะได้อมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันต่างแก้รับพรกัน อขอให้ทุกคนทุกทัดจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่พิงเขาวิงออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมือฟังไปด้วยน้มทาเนียไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจ อย่าไปเพ่งถ้าเพ่งในสมองส่วนบนก็อาจจะตรึงถ้าเราเอาใจไปจดจอ่อที่ปลายจมูกหน้าอกก็จะแน่นเราพยายามสูดลมหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุดการสูดลมหายใจยาวๆผ่อนออกมายาวๆสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนให้เราคอยสังเกตดูรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราเพอไม่ต้องตามลึกลงไป นีการที่ลมสัมผัสปลายจมูกหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อม ส่วนการจ ะ, ะส่วนการสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่พอรู้ตัวปุ๊บรู้สัมผัสทั้งลมหายใจเข้าออกปับ๊บถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องเราก็จะลุรู้ลึก ล, ล, ลงไปอีกว่าวการเกิดของใจนั้นการกอตัวของใจเขาเริ่มเกิดอย่างไรการกอตัวของขันห้าเขาเริ่มเกิดอย่างไรซึ่งเขามีอยู่เดิมตัวจิตตัวขันห้านั้นมีอยู่เดิมเขาลงมาเกิดตั้งแต่ยังไม่ได้ มาเกิดเป็นมนุษย์จนกระทั่งเขามาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันห้าขึ้นพระพุทธองค์ท่า น, นึงให้เจริญสติตัวใหม่เข้าไปทำความเข้าใจเข้าไปแยกเข้าไปคลายเขาถ้าเราสังเกตให้ต่อเนื่องถ้าเห็นช่วงที่ความคิดเกิดขันห้าเกิดใจเคลื่อนเข้าไปรวมความรู้ตัวรู้เท่าทันเขาจะแยกออกจากกันเอง เราก็จะเห็นการแยกการคลายซึ่งเราว่าแยกรูปแยกนามถ้าเรายังไม่รู้ทันตั้งแต่ต้นเหตุเราก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจใหม่กับหรือว่าอยู่กับคำบริกรรมเพื่อที่จะให้ใจของเราช้าลง กำลังสติของเรามากขึ้นถ้าความรู้ตัวต่อเนื่องจากหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีจนรู้เท่าทันใจคลายออกจากขันห้ากาลังสติก็จะตามดูเห็นการเกิดการดับของขันห้าซึ่งเรียกว่าเห็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาในขันห้ารู้ด้วยเห็นด้วยตามดูได้ด้วยค่อยพิจรารณา ไม่ใช่ว่าพิจารณาไปเลยถ้ายัางแยกแยะไม่ได้ถ้าพิจารณาไปเลยนี่ก็เป็นแค่เพียงปัญญาของโลกีปัญญาของสมมติใจยังคลายคันห้าไม่ได้นี่ถ้าแยกได้คลายได้ตามดูรู้ทุกเรื่องใจจะเข้าไปร่วมก็ให้รู้จักดับ ใจจะเกิดกิเลสเ ร, เ, รเราก็รู้จักละรู้จักเจริญพร ม, มีหารเข้าไปทดแทนทุกเรื่องในชีวิตยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงอริยาบทเจริญสติก็ให้รู้จักเสติปัญญาไปใช้ปฏิบัติธรรมก็ให้รู้จักอะไรคือธรรมอะไรคือสติอะไรคือปัญญาใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่คลายจากขันห้าเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ส่งไปภายนอกเป็นลักษณะอย่างนี้เราต้องรู้ด้วยเห็น ด้วยเข้าถึงด้วยหมดความสงสัยหมดความลังเลกําลังสติที่เราสร้างขึ้นมาก็จะกลายเป็นมหาสติจากมหาสติคน้นคว้าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นมหาปัญญาจากมหาปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวิญญาณในขันท่ารอบรู้ในโล ก, กธรรม ศีลสมาธิปัญญาเขาจะรักษาเราเองถ้าถึงจุดจุดที่อิ่มตัวแล้วแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยมีตั้งแต่กําลังศรัท ธ, ธาแรงกล้ามากกําลังแรงศรัท ธ, ธาแรงบุญแรงศรัท ธ, ธาปรารถนาอยากจะได้บุญปรารถนาอยากจะรู้ธรรมแต่ความเกิดของใจปิดกั้นตัวเองเอาไว้หมดแต่ก็เป็นบุญเป็นธรรมอยู่ในระดับของสมมุติเราต้องหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดแยกแยะรู้ไม่ทันดับวางอยู่ปัจจุบัน ทำความเข้าใจให้ปรากฏท่านถึงบอกให้เชื่อลมแล้วลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรปับปรุงตัวเองใหมยย่ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนก็จะเป็นวัด ทำกายให้เป็นวัดทำใจให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระโยบ่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ความรถถู้สึกตัวให้ต่อเนื่องกันสักพักนึ่งทำใจให้โล่งสมองให้โปรง่งอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็รู้ว่าลมบินเข้าวิ่งกกระทบปลายจมูกของเราชัดเจนกันนะ พากันไหว้ประพรมพร้อมกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกกริยอบทอัดยมเราก็พากันไปรับประทานข้าปลาอาหารที่ลงทานกันนะลงทานข้างบนข้างล่างก็มีอะไรก็ช่วยกันดูแล